ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดพระสูตรในสังยุตติกายเช่นเคยเรียกว่าทหารสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคนหนุ่มเป็นพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงแส ด, แดง ตามคำกราบทูลถามของพระเจ้าประเสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทนิโกศล น, นั้นมีพระชนพรรษาเท่ากับพระพุทธเจ้าเป็นคำกราบทูลของท่านก่อนที่ท่านจะเสด็จไปที่วงคตหน้าประตูเมืองราชคฤึ๊ เพราะถูกแย่งราชสมบัติโดยกล่าวทูลว่าพระพุมีรภาคเป็นกษัตริย์ข้าพระองค์ก็เป็นกษัตริย์พระผุมีรภาคเป็นชาวโกศลข้าพระองค์ก็เป็นชาวโกศลคือกรุงกบิลพัทเนี่ยมันเป็นนครในรักขาของแคว้นโกศล คือไม่ถึงก็เป็นเมืองขึ้นหรอกแต่ก็มีลักษณะเป็นพันธมิตรแต่ว่ากรุมกบินละพัฒน์เขาก็เล็ก จ, จึงอยู่ในการรักษาดูแลของแควนน้นกุศลซึ่งเป็นแคว้นใหญ่คือกุศลนี่เขามีทั้งกาสีทั้งกุศลก็รวมกันแล้วก็ใหญ่กว่าประเทศไทยนะฮะอาจจะแถมระเทศลาวก็ไปด้วย มันก็เห็นลักษณะของการปกครองในสมัยโบราณเหมือนกันการปกครองสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะพุทธกาลเนี่ยมันจะมีแนวหลักอยู่สองสามแนวแนวหนึ่งก็คือแบบราชาธิปไตยแต่ก็ไม่ใช่ราชาธิปไตยเต็มรูปเพราะว่ามันมีรูปเป็นสภาอยู่ข้างล่าง เรียกสภาคามนิคมชนบทและราชธานีหมายความว่ามีสภามาตั้งแต่ระดับตำบลระดับอำเภอและระดับจังหวัดจนถึงก็เมืองหลวงที่กลุ่มเดินมีลักษณะเป็นสามคือธรรมแต่ว่าค้อนไปทางเป็นอภิธานทิปไตยเพราะว่าเป็นราชวงศ์นั้นๆ ทำหน้าที่ปกครองเช่นสักยะโกริยะวชีมัลละพวกนี้จะปกครองในรูปสภาเหมือนกันแต่ว่าสมาชิกของสภาเป็นเครือราชวงศ์สักยะราชวงศ์โกริยะราชวงศ์ิชวีราชวงศ์มัลละเวลาจะมีมติอะไรก็ ประชุมกันร่วมกันพระเจ้รปเสนีโกศลนั้นปกครองในรูปของราชาธิปไตยเพราะนันก็เทียบแล้วก็อยู่ในฐานะเป็นมาราชในยุคนั้นก็มีอยู่สีสี่แคว้นใหญ่องคามคดกาสีโกศลแล้วก็เด เจดีวังสะเจตีวังสะเจตีก็แคว้นเมืองอุเจนีอยู่ในแคว้นอวันตีชนบทแล้วก็วังสะที่มีเมืองหลวงชื่อวโกสัมพีแล้วนั้นก็ปกครองปนพระกันไปแต่ว่าสองกลุ่มนี้ พระยาประสเนสนนิโกศลมาพบพระพุทธเจ้าเด็ยคงเป็นอยู่ในช่วงหลังเพราะถ้าเราดูประวัติศาสตร์ว่าก่อนที่นานาทันนาธิบินนาธบินทิกาเศรษฐีจะมาเฝ้าพระเจ้าที่กรุงรัชครึแล้วความธรรมแต่บรรลุมรคนเป็นพระโสดำบันกราบทูนรารัตนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปเปผยแพ่ศาสนาที่กรุงสาวัตถี แต่ว่าท่านจะไปสร้างวัดเตรียมรัศดเด็จไว้ทางการสร้างวัดในสมัยโบราณเราก็วัดใหญ่มากนะประเชตวันเ น, นี่ยบางยุคนี้พระมีพระอยู่เป็นพันๆแล้วก็ต้องใช้เวลานานระสมควรการพบกันในตอนใหม่ๆเนี่ยเราก็เรียกว่ายังไม่ค่อยรู้ที่ไปที่มา ก, กัน พระเจาปเสเองก็ข้องใจสงสัยในกรณีที่พระญุาปติยานว่าเป็นอรหันตสมาสมธธาธิสมุทธ h คือพระเจ้านั้นทรงประกอบด้วยเวสารัชยานสี่การเวสารัชยานก็คือปญยานที่ทําให้พระองค์มีความองอาจกล้าหาญไม่ขั้นครั่งขาเกรงต่อใครๆและกล้าท้าทายภิสูจน ได้ในสี่เรื่องมันก็ก่อให้เกิดพระธรรมคุณบทว่าเอหิปัสสิโกอยู่เลยประการแรกคือทรงปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัพพุทธะถ้าธรรมะที่คนระดับอรหันตสัมมาสมพุทธะยังไม่ได้จัตรู้รู้แต่พระองค์ไม่รู้เนี่ยรองค์จับไม่ปฏิญาณ เพราะหลั ก, กใหญ่เนี่ยเรื่องนิพพานอย่างนี้เรื่องอนัตตาอย่างนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องไสลักษณ์นี่เรื่องเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่มากๆถ้งตามปกติแล้วคณาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าอื่นแล้วก็ไม่มีใครเข้าถึงเรื่องเหล่านี้คนที่จะบรรลุได้เป็นคนแรกก็เรียกว่าอารหาันตสมาสมพุทธ ประการที่สองทรงปฏิญาณว่าเป็นขีณาศพคือไม่มีอาสวะกิเลสอยู่ภายในพระทยัยแล้วก็พิสูจน์ทดสอบได้ว่าตลอดระยะเวลา 45, สี่สิบ้าพันพระพุทธเจ้าไม่เคยมีอาการของกิเลสในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพราะว่ากิเลสภายในพระทัยนั้นได้ถูกทำลายไปด้วยอาสวะขยานขยานที่ทำอาสวะให้หมดไปสิ้นไป ประการที่สามเนี่ยทรงแสดงว่าธรรมะอันใดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วปรากฏว่าธรรมะเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติจริงๆถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็จะไม่ปฏิญาณสถานะอย่างนั้นแต่ท่านฟังลองสังเกตว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งมายิ่งทันสมัยยิ่งร่วมสมัยยิ่งล้ำสมัย มีความรู้ต่างๆเป็นอันมากที่วิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบันพูดถึงกันนักฟิสิกส์ใหญ่อย่างไอน์สไตน์เขาก็จริงแล้วที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นั้นเหนือกว่าที่ไอน์สไตน์ค้นพบแล้วก็มีเป็นอันมากที่ความรู้ของไอน์สไตน์ตรงนั้นะไม่ถูกต้องจริง แต่มันก็เป็นความจริงระดับสมมติขึ้นมาได้เราไม่ต้องดูอื่นไกลนะเราดูอบายามุกอย่างเงี้ยทรงสแสดงวเป็นทางเสื่อมหรือว่าการละเมิดศีลห้าเป็นที่มาของเวรภัยอันตรายต่างๆจากปัจเจ ก, กชนจากคนสองคนจน ถ, ถึงโลกทั้งปงวงาจจะการทั้งหลายในโลกมันไม่เกินมันไม่เกินไปจาก การละเมิดศีลทั้งห้าข้อแต่ถ้านับให้เต็มที่แล้วเนี่ยคือไม่เกินอกุศลกำหบดการทำความดีทั้งหลายก็อยู่ในกรอบของกุศลกำหบดโดยเฉพาะายิ่งคือตัวมโนสุจริตเนี่ยมโนสุจริตเวลาเข้าถึงความสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นสมาธิธรรนะสมา ธ, ธิที่สมบูรณ์มันก็คือเกิดเป็นสามาญาณ หมายความว่าท่าสมาธิที่สมบูรณ์ในอีกเจ็ดมรรคจะสมบูรณ์ตามไปเพราะฉะนั้นก็เป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วแล้วก็ทําันใดที่ทรงแสดงว่าเป็นโทษมันก็เป็นโทษอย่างนั้นแหละแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงไว้เป็นคุณอย่างการทะเลาะวิวาทการการกัดแย้งการการแตกสามัคคีกันเนี่ย ผัวกับเมียก็อยู่กันไม่ได้แล้วนะไม่ต้องพูดคนหลายคนนอกมันเป็นสัจธรรมที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงาะการประกาศของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยืนยันสถานะของพระองค์พระเจ้าปเสนีกุศลเองก็ข้องใจก็กราทูลถามว่าพระโคดมทรงปฏิญญาว่าได้สัสรูอนุตตรสมาสมโพธิญาด้วยหรือ ใช้คำว่าด้วยหรือมันก็แสดงว่ามีคนขอปฏิญาณอย่างนี้กันอยู่เพราะว่าในยุคสมัยนั้นคล้ายๆกับบ้านเราเวลาเนี้ยมันยุคตื่นพระอรหรันกันเวลานี้ถ้าเราอ่านหนังสือแบบอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆแบบครั้งแบบศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่รายการทังวิทยุตังโทรทัตบางรายการ ที่ลูกศิษย์พูดถึงพระอาจารย์ก็ตัวเองนะคือถ้าเราฟังแล้วนี่เป็นพระอาหารหันต์เลยพูดจนเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วก็แสดงให้เห็นว่าต่ความรู้สึ ก, กว่าเป็นพระอรหันต์นี่มันโก้ามากเพราะเป็นที่มาของลาบส ก, การ์ชื่อเสียงความเคารพนับถือบริษัทบริวารต่างๆเนี่ย ซึ่งว่ากันตามความจริงมันเป็นอาการของกิเลสทั้งนั้นแล้วความเคยสังเกตไหมว่าผู้ยอทรงแสดงโลกธรรมใบแปดข้อพราจา้าพรสูตรที่คนปรารถนาเนยลาบ ด, ดสันเสริญสุขเราเห็เนว่าเป็นการแสดงเรียงลำดับตามมาตวัดคุณภาพทางจิตของผู้ คนทั้งหลายในโลกนี้หมายความว่าใครก็ตามที่ยังมุ่งไปที่ผลประโยชน์คือลาบลาบนี่คือการได้หรือสิ่งที่ได้อะไรก็ตามเนีเป็นโล ก, กวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นลาบพันพวกลาบมันก็คือพวกกรรมคุณทั้งหลายพวกกรรมคุณมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลผักมันก็ไม่อื่นไปจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส แล้วก็พอมาถึงยศเนี่ยเราจะเห็นว่ายศขนาดบริวารยศเนี่ยก็สัตสัตว์โลกเนี่ยมันมีสัญชาตญาณฝูงมันก็มีบริวารได้กันนแต่ว่าไอเกียรติยศกับอิศรยศเนี่ยยากที่สัตว์ทั่วไปจะสัมผัสได้และยากที่สัตว์ทั่วไปจะรู้ได้หรือว่าต้องการปรารถนากัน พอมาถึงสันเซิร์นเนี่ยเราจะพบว่าสัตว์ยิ่งบีบ ต, ตัวเองน้อยลงไปเพราะแกไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือการสันเสิร์นในการยกย่องเพราะความต้องการของมนุษย์เนี่เะเรห็นว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาพร้อมจะสละผลประโยชน์ต่างๆเพื่อได้มาซึ่งอิสยศหรือเกีดยรติยศหรือบริวารยศหรือทั้งสามอย่างแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนจะเห็นว่าอยศเหล่าเนี้ยมัน มันเป็นสังขารก็ไม่เทียงแท้แน่นอนอะไรเป็นสมมติปัญญาตขึ้นมาก็จะมุ่งไปที่การยก้องสรรเสริญซึ่งที่จริงมันก็สักแต่ว่าเสียงแต่ว่าการสรรเสรินั้นมาจากความดีเป็นหลักเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนีเอาเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยคือบางทีเนี่ยมันจ้างให้โปรโมทกันได้ทั้งหนังสือพิมพ์ก็ได้โทรทัศน์ก็ได้บิทย่ก็ได้ ย่างเชียกันเจ้านายก็อยู่เบื้องหลังลูกน้องก็ออกมาเชียร์อยู่ข้างนอกะโปรโมทประชาสัมพันธ์นะก็ใช้การตลาดเข้าไปในการโปรโมทประชาสัมพันธ์คนก็ยกย่องสรรเสริญแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเชื่อง่ายด้วยผลกันกยกย่องคนเนี่ยจึงยกย่องง่ายทั้งๆ ท, ที่เราศึกษาเรื่องกรรมกันเยอะนะฮะสังคมไทยเนี่ศึกษาเรื่องกรรมมาก เาก็จริงไม่ดูดำดูดีเลยไม่สนใจเรื่องกรรมเลยว่าคนจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่กรรมขอการกระทำของเขาเราพิสูจน์ได้ด้วยการพูดด้วยการทำพิสูจน์ความคิดเขาแต่ที น, นี้ออพอเขาพูดแล้วมันคล้ายๆสมิตรู้คือเราเชื่อเลยโดยไม่รึกถึงเหตุถึงผลอะไรนี่คือเรื่องที่น่าสลดแล้วก็น่าสงสารด้วย ถามว่าแกยังไงบอกว่าแก้ไม่ได้เพราะว่าคนเหล่านี้เขาจะไม่พร้อมที่จะฟังเหตุผลใครไปชี้แจองอะไรไม่ตรงตามที่เขาเชื่อเนี่ยเขาจะโกรธแล้วจะมีการโต้ตอบที่รุนแรงแล้วก็ยิ่งเขารบก็พงไปผลคนเหล่านี้จริงๆเขาพูดยากแล้วก็เราก็ไม่มีโอกาสอะไรพูดกับเขาด้วย วันก่อนมีคนมานิมนต์ให้ไปออกรายการทางโทรทัศน์โทรทัศน์ก็ช่องพิเศษเขานะฮะก็ติดต่อมาสองครั้งครั้งแรกแล้วก็เฉยๆก็ปฏิเสธไปแต่ครั้งที่สองนี่เลยก็เห็นว่ามันต้องพูดาชา้ชัดอะ คือบอกว่าพวกคุณเนี่ยฝักใฝ่การเมืองแล้วก็เจตนาไม่สุจริตแล้วก็พยายามจะใช้วิทยกรเนี่เป็นเครื่องมือให้ด่าคนอื่นเพื่อต้องการน้ำหนักเอาพระไปด่าชาวบ้านซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่สุจริตไปร่วมมือเปด้วยไม่ได้แล้วแล้วก็บรรหลังไม่ต้อง น, นิ ม, มนด้วยตอนนี้มนก็นจะไม่รับนี่คือคืออะไรคือ เราต้องนึกว่าการมองมนุษย์เนี่ยมันต้องมองกันด้วยเมตตามองกันด้วยกรุณาแล้วถ้าเราไปไปไหลาตามกระแสะเนี่ยอะไรความจริงมันเป็นยังไงเพราะในสัจจะเนี่ยสัจจะคือเราต้องเห็นเองได้ยินเองได้ทราบเองได้รู้เองแต่ต้องผ่านโยนิโสมนาสิกา ผ่ระบบการคิดการใครครวพินิษพิจารณาเพราะเราจะเห็นว่าคนถามที่พระเจ้าประเสริฐในกุศลกราบทูลถามเนี่ยมันมีลักษณะของแฟชั่นแล้วก็นิยมยกย่องกันเรียกว่าผลประโยชน์ร่วมกันก็เฉลี่ยผลประโยชน์ด้วยกันผลท่านก็ไปคิดไปคิดในลักษณะ น, นั้นจึงท่านใชก้กลับมาด้วยหรือ เราแสดงว่ามีคนประกาศตนในลักษณะนี้อยู่มากผู้จอรัสสังดีรัสสังวามาราเมื่อว่ากัน้ถูกต้องถ้าจะเรียกใครสักคนหนึ่งว่าเป็นผู้ได้ศัตรู้อนุตตรสมาสำโพธิญาณก็พึงเรียกตถาคตนี้เถทศพระตถาคตได้ศัตรู้อนุตตรสมาสำโพธิญาณจริงๆ เป็นปฏิญาณที่เป็นสัจจะจริงก็จริงนะถ้าไม่จริงก็คือไม่จริงผลของพระพุทธญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระธรรมหรือพระยโสงก็ตามมันพิสูจน์ได้หมดแล้วท่านก็ไปตั้งประเด็นนะ่ะคือการมองปัญหานี่บางทีเราเราเราสับสนในประเด็นของการมอง ในประเด็นนี้ไปตัดสินด้วยอายุซึ่งเราจะเห็นว่ามันมันไม่ไม่ใช่ตัวหลักที่จะไปวินิจฉัยตัดสินว่าคนตัดสัตรู้จะต้องเป็นคนแก่หรือพระอาหารหันต้องแก่ถ้าไม่แก่เป็นพรานไม่ได้ถังแนวตัวเนี้ยอย่างสังคมเราก็ก็เหมือนกันคือไม่หมายความว่าถ้าจะทําบุญตักบาตรอะไรต่อะไรก็ต้องเอาพระแก่ พระนุ่มก็ไม่เคยตักกันทั้งๆ ท, ที่ว่าพระแก่รูปนั้นทีก่กุหลงตาก็เพิ่งบวชไม่กี่วันแต่ว่ามันก็กลายเป็นพิเศษไปเหมือนท่านท่านก็ตั้งประเด็นนี้เราเราเห็นได้ชัดว่าเป็นประเด็นเป็นระบบความคิดตามที่เชื่อถือกันมาแล้วก็ไม่เคยมีไอความชุกคิดหรือเฉลียคิด เออถ้าเราตั้งกดอย่างนี้แล้วแล้วสิ่งนั้นคนนั้นล่ะอายุท่านท่านท่านไม่มากแต่ทำไมท่านท่านยังเป็นอย่างนั้นเพราะั้นการฟังโดยไม่คิดมันก็จะตัดสินใจไปตามที่ฟังหมายความคนอื่นคิดให้แทนที่จะคิดเองเนี่ยคนอื่นคิดให้พระเจ้าเปรตในกุศลก็กล่าวถูงว่าค่าแต่พระโคโดม แม้แต่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณะาจารย์มีชื่อเด่นเป็นเจ้าลรชิที่คนหมู่มากยกย่องเป็นสาธุคือสาธุนี่เป็นชื่อเรียกเรียกนักบวชเรียกามิจิหรือสาธุก็สาธุนี่จะเรียกทั่วไป สามีเนี่ยถ้าจีเนี่ยก็ใส่ด้วยความเคารพแต่สามิจีนะคล้ายๆกับท่านครับอะไรเนี่ยคล้ายๆกับประเด็จประคุณกระประคุณอะไรเนี่ยนะครับผมไม่อะไรคือใส่เข้าไปก็ใส่จิเข้าไปถ้าก็ยกตัวอย่างครูทั้งหซึ่งเขาเรียกว่าฉัทสนะมีทัศนะที่แตกต่างกันอยู่หกท่านด้วยกันแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายคือว่า ความรู้ที่เกี่ยวกับท่านทั้งหเนี่ยเราไม่ชัดเจนนี่ยแสดงว่าเป็นจุดอ่อนหนึ่ ง, นงในในโลกของศาสนาคือไม่พยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ตั้งป้อมเป็นศัตรูกันแล้วขัดแย้งกันแล้วในขณะที่พวกพ่อค้าวั น, นิตทั้งหลายพวกธุรกิจทั้งหลายพวกธรรนาทํามสวนทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไม่ตั้งประเด็นว่าเมื่อไม่ใช่พวกเดียวกันก็คือต้องเป็นศัตรูกัน ไม่ได้คิดอย่างนั้นแนวคิดทางศาสนาตรงนี้ที่จริงมันเป็นจุดอ่อนแล้วก็ไม่เคยใครใครไม่เคยเฉลียวใจคิดว่าวิธีคิดอย่างนี้มันเป็นอันตรายเพราะในสุดมันจะมองกันด้วยความรู้สึกดูหมินแล้วก็จะอดีมานะคือดูหมินคนอื่นแล้วก็อาจจะยกตนของแท่นโดยไปคิดว่าเรงเจ่งกว่าเขา วันกิเลประเภทมานะนี่ถึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ที่ที่เคยเจอมาเราจะเห็นว่าเป็นตัวมานะเนี่ยเป็นอยู่ตัวที่เท่าไรอะตัวที่แปดนะฮะข้อที่แปดสิบข้อนี่อยู่ที่ข้อที่แปดอันดับที่แปดคนที่จะละได้เนี่ยต้องเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นคนอื่นละไม่ได้แต่ยกตัวอย่างบุนักกัศปะมะคคิริโศาร สันชัยเวรัตบุตรปกุท ธ, ธกัจจยนะอาชิตเกษกรรมพลนครนาทบุตรซึ่งก็เป็นโดยยุอณานี่แก่กว่าพระ้าทางนั้นพวกนี้เรารู้ความคิดเห็นของท่านในสามัญญผลสูตรแล้วก็ลอกกันไปลอกกันมาหมายความมาที่ปรากฏในเอกสารของเราส่วนใหญ่ก็คือลอกมาจากสามัญญผลสูตร ในสามัญญผลสูตรเนี่ยพระเจ้าชาติสตรูกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงการที่ท่านได้ไปคุยกับคณะอาจารย์เจริญที่ทั้งทั้งหกท่านเนี่ยพอมีความคิดเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยที่ที่พระเจ้าชาติสตรูมาคุยย ม, มันมีประเด็นเดียวคือคือท่านท่านเรียนถามท่านเหล่านั้นว่าสมณะคุณคือคุณของความเป็นสมณะความเป็นนักบวชเนี่ยมันมีคุณยังไงแล้วท่านก็ ว, ว่าคนหลาเรื่องเลย พระเจ้าชาตรูก็บอกว่าเขาถามอีกเรื่องหนึ่งไปพูดอีกเรื่องหนึ่งหรือเขถามต้นไม้ผลไม้ชนิดหนึ่งหรือไปพูดเรื่องผลไม้ชนิดหนึ่งไปพูดก่อรเรื่องคือยังเข้าใจว่าท่านต้องมีอะไรคุมคมอยู่นะแล้วก็พอเรามาเรียนรู้ที่ปรัชญาเองก็ไม่กว้างเลยแสดงว่าเอกาสารในเรื่องหลัก ของท่านเหล่าเนี้ยความรู้ของท่านเ่าเนี่ยคงไม่ไม่สืบต่อมาเป็นเอกสารเว้นไว้แต่ท่านนิโครนาบุตรแต่นิโครนาธบุตรก็คือาศาสนาเชนนะฮะเชนสืศึกษาสถ า, าบันเชนศึกษาเวนิ่ใหญ่โตมากเอกสารเยอะมากแต่ว่าคนศึกษากันน้อยก็พระเจ้าประเรสรนิโกศนก็กลับทูลเล่ารประสบการณ์เหมือนกันบอกว่า เมื่อมองฉันถามว่าท่านทั้งหลายปฏิญญาหรือว่าได้สัวสรวนุตรสมาสปติญาก็ยังไม่มีใครกล้าปฏิญญาอย่างนั้นสักคนอะไรกันนี่พระสัมนาสัมทดมโดยกำเนิดก็ยังเด็กเล็กลโดยการบวชเล่าก็ยังใหมนะ่ที่จริงตอนนั้นเน่เกิดเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าต้องพระชนพรรษาไม่น้อยกว่า4ี่สิบแล้ว พนะระจักรุสามิาเต็มแล้วก็อยู่แถวกรุงราชครืดเนี่ยไปที่ก บ, บิลพัทเนี่ยยังไม่เข้าแคนโกสลเนี่ยมันก็ต้องกินเวลาหกเจ็ดปีแต่ว่าถ้าไปเทียวกับคนแก่น่นอนนะมันก็เป็นคนหนุ่มแต่ถ้าจะเอาอายุจริงๆมันคนสี่สิบนี่ไม่ใช่คนหนุ่มนะฮะเพราะใจะนราสาัสดาเนี่ยอายุไม่มาก พระเยซูนี่สามสิบสามพระเจ้าเราสามสิบห้าเต็มท่นานนบีก็รู้สึกกย่าสี่สิบตนครูอณาจอะไรเหมือนกันหมดอ่ะคือคือาศาสดานี่ไม่อายุไม่ยืนไม่มากเป็นคนหนุ่มซึ่งก็เป็นข้อที่น่าสังเกตว่าอย่างหนึ่งว่าเรา ไม่สนับสนุนคนหนุ่มให้อยู่ในจุดที่เธอสามารถใช้พลังความคิดบุกเบิกสร้างสารรค์อะไรได้แล้วก็ปล่อยให้แก่ทั้งหมดเลยจนไปอยู่ในจุดซึ่งเ็าหมดไฟไปแล้วก็อลองสังเกตว่าคนหนุ่มบางชีที่เขาเก่งนะฮะอย่างยกตัวยังสันชัยคันทีเนี่ยก็เป็นนักบินนะ แล้วก็มาเป็นนายกรรรมตรีก็ได้ชั้นดีนลหรือว่าจอเนฟกินนีดี้ก็สี่สิบต้นๆหรือแม้แต่คริมตันเนี่ยตอนตอนก็เป็นเนี่ยก็สี่สิบปลายๆ ย, ยอดบูธมันก็ห้าสิบสิบต้นๆ น, น, นะฮะแค่นี้เรารู้เ บ, บ่ว่าว่าเอาก็จริงเนี่ยมันมันเกณฑ์อายุเนี่ยไม่ใช่เกณฑ์ แต่ก็เป็นความเชื่อถือที่ถูกครอบงำคล้ายๆกับว่าคุณสมบัติพิเศษจะต้องมีเฉพาะคนแก่คือที่จริงมีได้ทั้งหมดอะจะแก่หรือเด็กก็ตามก็พู้เจ้รับสั่งให้ให้คิดนะฮะว่ามาลาสิ่งที่ไม่ควรดูหมิ่นว่าเป็นเด็กเป็นเล็กมีอยู่สี่อย่างคือกษัตริย์ ยาดูมินมาส่งพยาวงูพิษเนี่ยยาดูมินว่าตัวมันเล็กไฟเนี่ยยาดูยดูมินว่ากองมันน้อยภิกษุเนี่ยยาดูมินาเป็นเด็กเพ ร, ะราะอะไรเพราะว่า ก, กษัตริย์เนี่ยแม้จะยังทรงพระยาว์แล้วถ้าทรงเป็นกษัตริย์ก็สามารถตัดสินปรานชีวิตคนได้มูพิษเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่มันกัตายได้แกน ไฟเนี่ยจะประมาทไฟในที่นี้หมายถึงไฟในกรณีเผาผลาญ น, นะเพราะไฟเนี่ยจะใช้เยอะใช้ในรูปปัญญาก็ได้ใช้ในรูปความเพียรก็ได้ใช้ในรูปของการให้แสงสว่างก็ได้ถ้าอย่างนั้นใช้ในกรณีที่เป็นธรรมะตลอดาต้งใช้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานคือเตโชกสินใช้เยอะนะไฟเนี่ใช้เยอะมาก ใช้ถึงการเผาผลาญในแง่ของชีวิตที่ถูกเผาทำลายไปอยู่ทุกขณะก็ได้เพราะงั้นมันมันเป็นเป็นอุปกรณ์ในการสอนการสื่อสารเราก็ต้องจับประเด็นได้ว่าตัวเนี้ยหมายความว่ายังไงหมายความในกรณีที่เผาผลาญควายกองเล็กเนี่ยมันเผาบ้านเผาเมืองมันเกิดแต่ควายจุดเล็กทนี้มพิสูเนี่ย เขาเรียกว่าอาหุเนยคัคคีคือไฟคืออาหุนะอาหุเนยะบุคคลบุคคลที่ควรแก่การนำสักการะบูชาไปถวายเพราะนเราจะเห็นว่าพระอาหารหันตนะ์เป็นเนร ก, ก็มีนะเนรเยอะเป็นเด็กหนุ่มๆก็มีคนหนุ่มๆอายุไม่มากเจ็ดขวบก็มีนะฮะอาจารยเปนเรเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเออไปไปใช้เกณฑ์ตรงนี้มันใช้ไม่ได้ แต่ว่าเป็นกรณีของความเชื่อคือหมายความว่าไอ้ความเชื่อบางอย่างเนี่ยเรายอมจำนวนคนส่วนหนึ่งนี่จะยอมจำนวนต่อระบบความเชื่อแล้วก็ปักใจขวังใจเอาอย่างนั้นเราจะเห็นว่าแน่พวกเทวดาเนี่ยแนวพวกเทวดาสังยุตที่พูดไว้ในตอนต้นๆก็ปรากฏว่า แต่ท่านใช้ระบบความเชื่อของยุคสมัยแล้วมันตั้งประเด็นเรากับพ ร, ระพุทธเจ้าคือบางอย่างก็ถูกนะฮะบางอย่างก็ไปข้อความคือคำที่ใช้เนี่ยคำที่ใช้ในมีความสำคัญเมื่อนก่อนดูรายการเขาสอบถามอะไรคำไหนเขียนถูกต้อง อ, อ่านออกเสียงถูกต้องเนี่ยฮะโฆษณากับโฆษณา ที่จริงมันมันมันอธิบายได้ทั้งสองคำนั่นแหละเพราะว่าเป็นภาษาสันสกฤตพวกเหล่นี้ทุกข้อเนี่ยนะฮะที่ไม่มีสระอื่นเนี่ยถือว่ามีสระภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเนี่ยเพราะันอาจจะอ่านโฆษณาก็ได้โฆษณาก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือว่าวันก่อนเนี่ยวันก่อนไปเขาเขาเขาออกเรื่อง จุติจุติกับจุติที่ยุ่งเปลว่าตายนะฮเขาบอกว่าไม่จริงอะ่ะเมือนี้เขาเปลี่ยนแล้วอามาก็สงสัยมันเปลี่ยนได้ยังไงเราเปลี่ยนได้ยังไงภาษาก็ต้องใช่มาอย่างนั้นยุติก็คือตายนะไปสุนทคือ เ, เกิดก็โทรศัพท์ถามถามราชบัณฑิตก็ับโอ ว่าเขาก็เปลี่ยนจริงเหรอท่านบอกว่าไ ม, ไม่ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยคือคือบางทีเนี่ยเราไปใช้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันมีน้ำหนักอ่อนกว่าอย่างใกล้ๆภาษากฎหมายหรือคํว่ารับคําเดียวเนี่ยคํามารับคําเดียวเนี่ยมันหมายถึงอะไรคือต้องดูที่พจนานุกรมเขาอธิบายว่ายังไงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองถึงรากศัพท์ที่ไปที่มาด้วยว่ามันมันมีความเป็นมาอย่างไง เราจะเห็นว่าเราเราไปรู้สัมผัสถ้ากำมรับมันก็คือรับตากระรับหัวพอเราเห็นรูปกับความเสียงมันไม่ใช่รับจะหมูกรับลิ้นอะไรอางขนาดนั้นเขาไม่ใช้กันหรอกรับตากระรับหัวเท่านั้นเองทั้งรับคือไม่ได้ยินกับไม่เห็นอาจจะเห็นแต่ไม่ได้ยินหรือว่าทั้งไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินก็แสดงว่ารับตา เพราะงั้นเรื่ออกความเชื่อเนี่ยให้เราสังเกตว่ามันก็เหมือนๆกันนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเชื่อแนวๆนั้นแหะแนวๆตามกันมาเชื่อตามกันมาโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วก็ไม่มีหลักด้วยนะฮะไม่มีหลักด้วยที่น่าน้อยใจว่าคนไทยเนี่ยมันถึงยุคนี้แล้วเนาะ ยุคที่มีการศึกษามีอาจารย์คนระดับด็อกเตอร์เนี่ยว่ากันว่ามีตั้งแปดพันแปดร้อยคนรับยาโทรมีทั้งสี่0มืนกว่าแต่ว่าบางทีเราก็นึกไม่ออกเอ๊ยทำไมท่านคิดอย่างนี้อะไท่านท่านไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้คือเวลาพูดมันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีก ฎ, ม, ม, กฎมีเกณฑ์ไอ้กฎเกณฑ์เนี่ยมันเป็นยังไง เราพูดเรื่องกฎหมายมันก็ต้องดูกฎหมายว่าอย่างไงไม่ใช่เราว่าอย่างไงอะ่ะเพราะฉะั้นเวลานี้ดีที่สุดก็คือก็คือไม่อ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือธรรมะดีกว่าเมือ่อพระเจ้าทรงอธิบายเนี่ยคือตอนตอนนั้นได้ปรดสังเกตว่าคําที่ใช้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงว่าเพิ่งเจอกั น, กนอาจจะเจอกันเป็นครั้งที่สองก็ได้นะเพราะว่ามันยังมีพระสูจน์หนึ่งที่ แสดงว่าน่าจะเป็นการพบกันครั้งแรกแล้วก็ต่อมาก็สนิทสนมนะฮะคุ้นเคยกันมากกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจนว่าพระเจ้าต้องต้องเตือนสติคือท่านเสวยมากเกินไปจนอ้วนลุกนั่งลำบากพระเจ้าต้องเตือนโดยวิธีให้มานกก็ท่องคาถา เป็การเตือนนักกินมากอ่เพื่อนแง่เตือนนักกินมากแล้วต่อมาท่านก็แข็งแรงพระเจ้าประเสริฐในกุศลผกฟังพระธรรมเทศนาตรงนี้ก็คิดได้นะมันก็เรื่องคิดง่ายๆแต่ว่าท่านไม่คิดเองเปลี่ยนแต่ว่าเรายอมใช้ความคิดตามหรือไม่ก็พระเจพระธรรมเทศนาท่านก็สรรเสริญสรเสริญพระธรรมเทศนาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลก คือมัอนเหมือนก็สูตรเป็นสูตรเจอที่ไหนก็อย่างนี้ทุกตี่บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แกมแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประสิทธิของพระองค์แก่มแจ้งนักเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประชีพไปในที่มืดโดยหวังว่าผู้มีจักสุคือผู้มีดวงตาเนี่ยจะเห็นรูปชั้นใด พระผู้มีพระภาเห็นไหมเปลี่ยนคำแล้วเรียกว่าพระกวาแล้วเมื่อก่อนเรียกว่าตันพระโคดมพระโคดมนีนที่จริงมันเรียกโดยขาดความเคารพนะฮะแต่นี้ก็ก็วมีที่ข้อข้อที่น่าสังเกตยังไม่ได้ศึกษาระเบียบราชการว่าเวลาพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยต้องพูดชื่อลรือต้องเรียกชื่อหรือ เคยไปตามเสด็จสมเด็จประสังคาราชตอนเป็นสังาราชใหม่เมื่มอสามสองนะนะไปหาจังหวัดภาคใต้ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเวลาทูล น, นี่เรียกว่ากราบทูลสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จประสังคาราชสกลลหมาสังฆาเปรนาปรนายกเ อ, อเอามันออกขนาด น, นั้นเฉเลยยังนึกว่าเอาขนาดนั้นเฉย คือกราบทูลต่อพระพักก็น่าจะกราบทูลฝ่าพระบาททรงทราบเก็อพอแล้วก็ไม่น่าจะยาวอย่างนั้นคือตามปกติแล้วถ้าพูดต่อหน้าเนี่ยเขาเขาไม่เรียกเสื่อก็ใช้สรัพรนามและที่แสดงถึงความกรกุกรดด้วยการให้เกียรติยกย่องก็แล้วแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่าคํำในเปลี่ยน พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมโดยประยายเป็นอันมากก็ฉะนั้นเหมือนกันและจากนั้นก็ประกาศตนแสดงเป็นอุปสกแสดงตนเป็นอุปสกท่านท่านฟังจะสังเกตนะว่าอันนี้คือคือเป็นแม่บทของการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะการแสดงตนพุทธมามะกะนี้เริ่มต้นที่เจ้าฟ้ามหาวิชิรินหิต คือพระปิตุลาของสมเด็จของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยตอนอย่าเสด็จไปศึกษาต่างประเทศในดูนราชการที่ห้าก็ทรงกังวลว่าจะไปยุ่งเกี่ยวเข้ารีสนับถือศาสนาอื่นใดๆไปก็เลยก็ใหป้ปฏิญาณตนเป็นอุบสุขสมเด็จรนมาจ้าก็ทรงเรียบเรลียงโดยล้อข้อความเนี่ยข้อความที่ เป็นปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ช้เอสรางพันเตภะวันตังสนังกัจฉามิธรรมันจะปิกุสรังันจะอุปกังมังภะกวะรตุอจตังเกปะนุเปตังสนังกตังแต่ว่าปัจจุบันนี่มันก็รู้จาิพานแล้วเอสร่างพันเตสุจิระปรินิปุตมปิตังภะวันตังสนังกัจฉามิก็ว่าเป็นยงไงแม้เสด็จปรินิพานนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งจิรหลึกขอพระสงฆ์นะฮะคือคือคือเป็นแสดงกับพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงทรงจํำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธมามีกาเป็นอุปสศเป็นอุปสิกา ก, กแแ็แล้วแต่จะจัดเราจะเห็นว่าพระสูตรนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงระบบการคิดการมอง การทำความเข้าใจกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยพอมาถึงยุคโลกาภิวัตน์จะยิ่งยิงย่งยิงย่งยุ่งุมากแล้วโอกาสที่เราจะตกเป็นทาสของสื่อเนี่ยจะเป็นได้ง่ายมากเพราะสื่อนี่เขายังยึดถือว่าเขาคือความถูกต้องนะก็มีวันก่อนเนี่ยนักข่าวเขามาถามที่จริงมันนานแล้วนะเรื่องนี้มันนานแล้ววันคอดไปเจอทนายสิมพ์ ไต่ราชไปลงข่าวก็พูดกระทบอามาหน่อยหนึ่งคือมาบอกว่าคือต้องเข้าใจว่าพระไม่ใช่เทวดาพระคือลูกชาวบ้านที่มันไหลไหลเข้ามาวัดกต่นั่นเองมาเพื่อจะฝึกฝึกปือตัวเองอบรมตัวเองไม่ใช่เอาสำเร็จรูปเพราะั้นโอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยมันธรรมดามากเลยเพราะวตอนอยู่เป็นคราวาสในศีลน้าเธอยังษาไม่ได้เลย แต่วบวชพระสาสีน่ะสองร้อย็ดข้อคุณจะให้ทำยังไงอะ่ะพิ่ก็คือผิดพี่ก็ออกไปก็บท่านั้นเองอทำไมจะต้องด่าว่าพระเดี๋ยวนี้ทั้งทงที่พระรูปนี้เวลาคุณลงข่าวคุณลงข่าวาพระเดี๋ยวนี้ทางนั้นไล้บอกว่าเขาเป็นกระจกแต่ว่าพอดีภาพมันพร่ามัวนะก็ทำให้ภาพมันออกมาไม่ใสมันไม่ใช่ คือเราต้องมองว่าพระไม่ใช่บุคคลเสมตรูปแล้วก็เรียกว่า99เปอรเซนต์ี่สึกไปเป็นคราวาสอามากอบอกว่ามันเหมือนกับอุจจาระเนี่ยคือถ้าเราต้องการจะล้างพื้นที่มีอุจจาระเนี่ยเราต้องตักอุจจาระไปทิ้งแล้วก็เช็ดพื้นแล้วจิงล้างที่หลังมันไม่เปื้อนเปืะไปหลายแห่ง แต่ถ้าเอามาตีข่าวแล้วมาเล่นวิพากษ์วิจารณ์กันดูตัวเองไม่รู้หัวดูหางอะไรเลยนะเพียงจะ่เป็นข่าวก็มาเลงกันมันปากเงิงได้สตางค์ใช่แต่เงินได้ทองแต่คนก็สะใจคนก็มันแต่การที่ได้ดูความเสียหายของพรศาสนาเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้เคยคิดนะฮะว่าเอ๊ะทำไมที่นักศาสนาในศาสนาอื่นจึงไม่มีข่าวล่ะทำไมเธอไม่ลงล่ะ มีข้าวขนาดบาดหลวงข้าวผู้หญิงตาและจับใส่กลองลงได้วันเดียวหลายปีมาแล้วหายเลยไม่ความนอย่างไงยะนี่คือเราจะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งว่าการมองอะไรเนี่ยถ้าตัดสินตามที่เห็นเนี่ยโอกาสถูกลอเนี่ยได้เยอะเลยเพราะในปัจจุบันเนี่ยให้เราลองสังเกตว่า อะไรอ่าคือเขาเรียกว่าการจัดการน่ะเช่นขนมใส่กล่องทําเป็นถุงปลาสติกอุราคามันเพิ่มมันพรวดไปเลยแล้วคุณกินกล่องโดยจะกินขนมอเห็นไหมเราไม่เคยคิดว่าที่จริงเรากินขนมแล้วกล่องเราทิ้งแล้วเราสตางค์ส่วนหนึ่งีทิ้งมีเรื่องเปน็นนันมากนะที่ที่ที่ที่เราไม่ได้คิดอะ แล้วเราก็สิ้นเปลืองเงินทองไปเยอะโดยไม่มีความจําเป็นเพราะเราต้องการจะซื้อขนมซื้ออาหารอย่างนั้นอย่างงี้ะอะไรต่ออะเพล็กข้กลองอย่างดีเลยนั้นคือสตางค์นะฮะนั่นคือสตังค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการการมองสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันบางครั้งมันต้องปอกเปลือกในโบราณก็พูดว่าอย่า ก, กินบางคุณทั้งเปลือก ภารกิบงคนต้องเปลือกก็อย่างที่รู้นะฮะรสชาติมันจะเป็นยังไงการบริโภคข่าวการมองปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าการวิเคราะห์ตัดสินสิ่งสัมผัสของพระเจ้าประเสริฐในกสศลในตอนต้นเนี่ยพลาดเป็นเรื่องระบบความเชื่อที่ท่านปักใจฝังพระไถยมาอย่างนั้นท่านเข้าใจท่านเข้าใจสิ่งทั้งหลายพามาเป็นอย่างนั้นที่จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่ เรื่องเฉพาะตัวคนเพราะไอ้สุธทธิอสุธทธิเนี่ยมันเรื่องเฉพาะคนคือบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องเฉพาะคนแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับอายุอะไรคนเด็กๆ เ, เ, เนี่ยก็เป็นพระอาหารหันได้เพราะพระอระหันนันอยู่ที่จิตซึ่งไม่มีกิเลสแต่นั้นเองเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ใครก็ได้แล้วมันจำเป็นจะต้องบวชอะไรด้ยแน่นอนถ้าบรรลุอาหารหันต์เป็นพระอรหันต์ท่านก็ต้องบวชแหละแต่ว่าก่อนที่จะบรรลุเนี่ย ในขณะที่บรรลุนี่เป็นอะไรอยู่ก็ได้ทุกฝังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ในธรรมยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี